ชาวๆอย่างนี้ต่างไปต่า ง, ก, า ง, ง, สงสมมก็ทำหน้าที่ของตัวเองพระพิสุสงฆ์สมเนรก็ทำหน้าที่ของตัวเองนกหนูกาไก่ก็ต้องทำภารกิจของตัวเอง พระก็ทำวัดสดมนไก่ก็มีหน้าที่ขันร้องตามสภาพของการเกิดที่จะต้องมีหน้าที่แต่และอย่างแต่และอย่างกันไปเจ้าเจ้าอย่างนี้ ก็ขอให้พระคุณเจ้าจงตั้งสติสติก็คือมีความรู้ตัวว่าโอนอหนึ่งวันหนึ่งเวลาเป็นความสับสนวุ่นวายมากมายนักกว่าจะได้มาบำเพ็ญเพียรในขณะนี้ กเกิดให้เป็นกุศลผลบุญทำให้เรานั้นมีสติคงสอกคงวาแับว่าเป็นมหากุศลอย่างยิ่งยิ่งกว่าสร้างวิหารลานเจดีรวมทั้งอุปาสกอุปาสการด้วย วันหนึ่งวันหนึ่งเราจะมีแต่ความสับสนวุ่นวายกิเลสมันลากจูงเราไปสวมจมูกสวมเขาเบาปัญญาสับสนวุ่นวายกับชีวิตมากมายนักก็เกิดปัญหาทำให้จิตนั้นฟุ้งซ่านอุปมาอุปไมย ทำให้ปวดหัวตัวร้อนทำให้ร้อนถึงทางกายและใจจึงมีคำบ่นว่าไม่มีความสุขมีแต่ความวุ่นวายเหมือนกับองค์สมมาสมุตธเจ้าฉันชี้มาที่หัวใจที่หน้าอกของท่าน โว่โนอที่นี่ไม่พุ่นวายหนอที่นี่ไม่พุ่นวายหนอที่นี่ไม่พุ่นวายหนอท่านชี้มาที่กลางใจของท่านเป่งวาจาถึงสามครั้งและท่านก็ชี้ไปที่ แสงสีมนุษย์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดเคืองหนอเพราะฉะนั้นองค์สมณะสมุทตเจ้า บ, บอกว่าการที่สัตว์โลกทั้งหลายจุติและบังเกิดขึ้น ตามสภาวะของกิเลสตามสภาวะของกรรมกรรมก็คือเป็นรูปนามแห่งการกระทําสิงสาราศรมาแมลงน้อยใหญ่นั้นนับว่ามีวิบากกรรมเรียกว่ากายกรรมกายกรรมก็คือมีรูปมีนาม เช่นมแมลงก็คือตั๊ ก, กแตนแ ม, ง ม, แมงมุ ม, มแมลงวีมแมลงวันและก็ยุง่งเหลือบริ้นใดเกิดมาตามสภาพของรูปนามแห่งกรรมจะต้องกากรรมทำหน้าที่หมดระยะหมดเวลาของตัวเองจะต้องรักษากายวาจาใจเนี่ย ให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่ของภาร ก, กรรมของสัตว์และมแมลงนั้นๆตามวงจรของชีวิตวงเขาหมายถึงว่าวนไปวนมาเหมือนเราคนน้ำอยู่ในหม้อคนน้ำอยู่ในในถ้วยโสโอชาไม่มีโอกาสที่จะล่วนไหลหรือว่าวนเวียนไปทางอื่นได้เลย เรียกว่าวงจรของชีวิตวงจรของชีวิตก็เปรียบเสมือนวงจรของกรรมไก่ก็เช่นเดียวกันก็มีวงจรชีวิตก็คือคุยเขียหากินไปวันวันอิ่มไปวันวันหนึ่งเช้าขึ้นมาก็ต้องแหกปากทำหน้าที่ จะต้องตีปีกตับตับตตั บ, ต บ, ตบแล้วก็ก่งคอขันตัวเมียเ น, นี่ยมันไม่มีหน้าที่จะต้องกระพือปีกและขันแต่ก็ต้องมีหน้าที่จะต้องถูกตัวผู้เนี่ยมันเสพแล้วเสพเล่าไขออกมาเจ็บก้นเจ็บทวารไขแล้วไข่เล่าฟักไขฟักแล้วฟักเล่า เลี้ยงลูกแค่ตัวแล้วตัวเล่าจนตัวเองนั้นแก่ตายไปเป็นธรรมชาติของวงจรชีวิตของวิบากกรรมไม่ว่ า, มาแมลงและสัตว์ทั้งหลายก็จะต้องตกอยู่ในอบายโภูมิของเปตอสูรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉาน เมื่อเราตกอยู่ในอวายภูมิก็ภูมิของสัตว์เดรัจฉานดับว่าเราได้มองเห็นเป็นรูปนามตักกแตนบ้างเรียกว่ามแมลงแมลงนี้ก็ต้องอาศัยพืชปเป็นอาหารอาศัยสัตว์เป็นอาหารเช่นเดียวกันมแมลงบางชนิดก็กินผักกินหญ้า กินต้นไม้ใบหญ้าเช่นผีเสื้อนะก็เป็นตัวหนอนมแมลงวีมแมลงวันนี่ก็จะเกิดขึ้นจากเป็นตัวหนอนมาก็กินพืชเป็นอาหารต้นไม้ก็เหมือนกันต้นไม้ก็มีต้นเล็กที่ติดกับพื้นดินก็าทาหน้าที่คุมดินไว้ ต้นไม้อีกชนิดหนึ่งก็สูงกว่าพืชก็คือต้นไม้ขนาดกลางก็ขึ้นมาสูงขนาดกลางก็มีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งเรียกว่าต้นไม้ยืนต้นก็คือชนิดใหญ่โตที่คุมต้นไม้ขนาดกลางแล้วก็ต้องคุมต้นไม้ขนาดเล็กลงมา แต่ไอ้ต้นไม้ขนาดใหญ่เนี่ยมันก็ต้องแผ่กิ่งกา้านทรงดอกทรงผลที่จะหล่อเลี้ยงพวกมแมลงและสัตว์ทั้งหลายแล้วก็จะต้องมีใบอ่อนใบแก่ใบเหี่ยวใบชราเนี่ยตกล่วงตกล่นลงมา ไวไฟพืชขนาดเล็กขนาดกลางได้บริโภคเรียกว่าปุ๋ยเป็นปุ๋ยทำไมลุงพ่อพูดอย่างนี้นับว่าธรรมชาติเนี่ยเป็นวงจรเรียกว่าวงวงจรของชีวิตที่จะต้องพึ่งพาอาศัยตามสภาพของผืนดินผืนน้ำ น้ามีกี่ส่วนดินมีกี่ส่วนพื้นก็เช่นเดียวกันพื้นดินมีที่ต่ำเรียกว่าที่ลุ่มมีที่สงูงเรียกว่าที่ดอนสูงก็ดอนก็คือผูกเขาพื้นดินยังไม่เท่ากันกุกุกระกรต้นไม้ยังมีชนิด ที่คืบคานไปกับดินสูงกว่าพืชที่อยู่กับพื้นดินก็เป็นต้นไม้ขนาดกลางสูงขนาดกลางก็เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สรุปแล้ววงจรของพืชขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่อยู่ร่วมกันทั้งนั้น บนภูเขาก็มีพืชมีมแมลงมีนกนกกาไกา่ใต้น้ำก็มีสิงสาราสัตว์บนผืนดินก็มีสิงสาราสัตว์มนุษย์ก็เช่นเดียวกันก็จะต้องอยู่รวมกับพืชแล้วก็สิงสาราสัตว์ สัตว์พวกนี้เนี่ยมีรูปนามที่แตกต่างกันตามสภาพของสัตว์ที่ทำกรรมไว้ตกนรนอยู่ในอบัยภูมของความเป็นมนุษย์ก็คือทำความชั่วนั่นเองมีความวุ่นวายเยี่ยงสัตว์มแมลงต้องอาศัยต้องกัดกินกันต้องทะเลาะเบาแหวงผ่านพราก ผ่านพลาชีวิตอย่างเช่นนกก็กินหนอนเป็นต้นแมลงชนิดต่างๆเช่นแมงมุมก็กินมแมลงที่เล็กลงไปกบเขียดก็ต้องกินมแมลงที่เล็กกว่าตัวเองเรียกว่าสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กเพราะนั้นคนที่เกิดมา ร้วนแต่อยู่ในวงกอวงวงจรของชีวิตธรรมก็คือธรรมชาติเมื่อเรารู้วงจรของชีวิตสัตว์ต่างๆเราก็สามารถเอามาวิเคราะห์เอามาปรับปรุงและดักจับเหมือนในพ่นเนี่ยก็ต้องศึกษา จะจับสัตว์ต่างๆนานาเนี่ยก็ต้องศึกษาวงจรของชีวิตว่าจะต้องจับอย่างไงต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือขนาดไหนต้องไปคอยสังเกตสังการต้องใช้เวลาเวลาที่ศึกษาหาความรู้ว่าจะฆ่ามาแรงอย่างไรไอมาแรงเนี่ยมันก็ ศึกษาวงจรชีวิตของมันว่าพ่อแม่มันเนี่ยบริโภคอะไรมันก็จะต้องสอนลูกมันให้ลูกมันเนี่ยใช้วงจรชีวิตตามพันธุกกรรมของมันนักปฏิบัติทั้งหลายค่อยๆนึกตามหลวงพอ่อไป ว้าวเนาะหลวงพ่อดีช่างละเอียดละออเห็นกระทั่งพืชเล็กๆที่อยู่บนดินไม่สามารถที่จะโตสูงใหญ่เหมือนพืชขนาดกลางได้เห็นพืชขนาดกลางเนี่ยไม่สามารถโตเหมือนพืชขนาดใหญ่ได้ก็คือต้นไม้ที่ยืมต้นใหญ่ สรุปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นวงจรของธรรมก็คือธรรมชาติก็คือวงจรของชีวิตวแมลงมันก็สอนรูปมันมีการเสพมีการขยายพันธุ์นกหนูกากไก่ก็มีการเสพมีการขยายพันธุ์ ตามวาลกรรมของรูปนามแห่งสัตว์ต่างๆเลือกภูมิของสัตว์สัตว์ก็มีหลายชนิดชนิดที่เล็กมองไม่เห็นเรียกว่าเชื้อโรคที่เรามองด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นเล็กจนมองด้วยตามองไม่เห็นมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเรื่องเล็กๆ เ, เดีย๋ย เรียกว่าผงเข้าเข้าตาเรื่องขี้ผงมันเข้าตาพอเข้าตามากๆเข้ามันก็เข้าหูอีกเข้าหูมากๆเข้ามันก็เข้าไปที่หัวใจมันก็เกิดเชื้อโรคที่ตาเพราะมันเข้าตามากขึ้นเกิดระคายเคือง เกิดคันเกิดเป็นแผลเกิดเจ็บตาเจ็บหูแต่ถ้าเป็นได้ยินสองเสียงไม่ใช่เชื้อโลกเรียกว่าเสียงที่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนว่าเสียงของสัตว์และมแมลงต่างๆถ้าเราไม่เห็นตัวเนี่ยก็ไม่รู้ว่า มันเสียงสัตว์หรือมแมลงอะไรที่ร้องที่มันมีเสียงลักษณะอย่างนี้ตามที่นักวิทยาศาสตร์เขาติดตามกันว่าจะเอาพืชอะไรมาสกัดเอาพืชอะไรที่มาตัดรอนโรคนี้ให้ระงับให้หายองค์สมมาสมพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกัน ว่าเอาตัวโทสะใครที่เกิดโทสะมากๆก็จะเอาตัวเมตตาความรักเนี่ยมาตัดตัวโทสะเห็นไหมวิยาศาสตร์กับองค์สมาสมาสัพพุธเจ้าเนี่ยเป็นของคู่กันเป็นเครื่องที่เหมือนเป็นพืชลมลุก เราเป็นคนไทยในโชคดีอยู่ใกล้พระพุทธศาสนาได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมาสมาสมุตธเจ้ารู้เหตุรู้ปัจจัยที่มันเกิดขึ้นวงจรของชีวิตแต่ละบุคคลแต่ละคนนั้นมีกลิ่นตัวไม่เหมือนกัน เอาแล้วเข้าไปแล้วมนุษย์นี่มีกลิ่นตัวไม่เหมือนกันผู้ชายก็จะมีกลิ่นตัวไปอีกแบบหนึง่งผู้หญิงก็จะต้องมีกลิ่นตัวไปอีกแบบหนึง่งเรียกว่าสัตว์ตัวผู้สัตว์ตัวเมียเนี่ยจะมีลักษณะเรียกว่าลาักษณะรูปนามของชีวิตที่แตกต่างกัน ราลเอียดราออมมากไอ้พวกเปรตทั้งหลายฟังไม่ได้พระเปรตก็จะฟังไม่ได้จะทุรนทุรายใจมากอึดอัดใจเพราะอยู่ในอบัยภูมิของสัตว์เดรัจฉานจะขันยุกยิกยุกยิชีเปรตก็จะฟังไม่ได้ง่วงเหงาเหานอน คุณโยมนี่รักษาศีลก็เช่นเดียวกัน้าเป็นอยู่ในสัตว์เดรัจฉานจะทุ่นลนทุ่นลายเพราะว่าหลวงพอ่อรู้ที่บอกมานี่คือวงจรของวิบากกรรมจะมานั่งนิ่งเนี่ยเน็บก็กินชาก็กัดกระใสก็สับเหมือนสัตว์เดรัจฉานบ่งบอกของรกษณะของกรรม พระคุณเจ้าที่อยู่ในอบายภูมิรัชีเพเดชพระเนี่ยก็จะทนต่อการฟังธรรมะไม่ได้ก็เหมือนมนุษย์ที่ฝักใฝ่ความชั่วจะได้ฟังคำสั่งสอนดีๆนะ่าจะฟังไม่ได้ขัดเคืองใจไม่สบายใจเหมือนพระคุณเจ้าบางรูปนั่งคุกคลิก ดูมันทรมานไม่มีความสงบไม่มีความที่เป็นสติสติคือความรู้ตัวว่ากำลังฟังธรรมะอยู่ธรรมก็คือธรรมชาติออกอาการที่เป็นอารัชชีเปรตเลยทุนลนทุนรายง่วงเงาเหานอนฟังธรรมไม่ได้ ลนทนไม่ไหวปวดเมื่อยสู้พระที่เป็นแก่ๆชลานั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยนั่งดิง่งไม่ทุนหล้นทุนลายเพราะเห็นวัตถะของการเวียนว่ายของการเป็นอยู่วงจรของชีวิตแต่ไอพระเปดพวกนี้มันทุนหลนทุนลายไอเนนเปดพวกนี้มันจะรับง่วงเหงาเหานอน ไม่ชีเปรตพวกนี้จะอดลนทนไม่ไหวจะปวดเมื่อยร้าไปหมดแต่ถ้าทำกรรมชั่วเนี่ยแมยแข็งแรงมากเหมนหมาในเวลากินเนี่ยมันมันก็กินแค่อิ่มเดียวแต่เวลามันกินแล้วมีกำลังเวลามันกัดกันมันกัดกันจนเลือดสาดหมายปองเอาชีวิตซึ่งกันละกันเห็นไหม เวลามันทำชั่วนีมันมีกำลังพระก็เช่นเดียวกันใครที่มีสติมีปรรัญญามีบุญบา ร, รมีมีการบำเพ็เพียรตามวัฒธรรมคำสั่งสอนเรียกว่าวงจรของหน้าที่มนุษย์ก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์เห็นแล้วมันอึดอัดใจ ไม่สบายใจกับอลัจชีเปตพระพวกนี้ขนาดฟังทำรรแล้วก็ยังพึงกระทำไม่ไหวตั้งสติไม่ได้ขนาดตื่นมาใหม่ๆเนี่ยก็จะต้องมีวาระจิตที่สะอาดสดใสเหมือนกับบรรยากาศตอนเช้าๆอย่างนี้แรกอารุณ์อย่างเงี้ยเราตื่นมาเนี่ย เราไม่มีความฟุ้งซ่านไม่มีความรังเรศสงสัยหูจมูกลิ้นกายใจของท่านทั้งหลายไม่ได้สัมผัสกิเลสมากมายก็ยังอดทนต่อสติในการง่วงเหงาเหงานอนไม่ได้เช้าเอย่างเี้ยไม่ลกหูลกตาตามสภาพของกิเลส ก็คือรูปรสกลิ่นเสียงผลตัพระก็คือนิวรณ์ทั้งห้าเนี่ยที่มันเกิดจากหูตาลิ้นจมูกกายใจจิตย่อมมีความสงบสบายแต่รัชีเปตพระเนี่ยมันยุกจิกยุกจิกมันปวดมันเมื่อยมันร้ามันเปี้ย เพราะว่าหลวงพ่อเนี่รู้ทันของกิเลสภูมิภพของกิเลสให้พวกเปรพวกนี้ก็ทนไม่ได้เพราะมันอาศัยอาศัยโรคเกิดอาศัยพ่อแม่เกิดก็ยังอาศัยไม่ได้พ่อแม่อาศัยไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็พ่อแม่อาศัยไม่ได้พี่น้องก็อาศัยไม่ได้ ครอบครัวก็อาศัยไม่ได้เรียกว่าเป็นเป็ดมาตั้งแต่จุติเกิดมาก็กัดกินแรงงานของพ่อแม่อาบเหงื่อต่างน้ำที่เลี้ยงดูมาแต่ก็อาศัยไม่ได้เป็นวงจรชีวิตที่ออกนอกวงจรพวกเป็ดพวกนี้พอโตมาเนี่ย ก็ทำภาละยินดีต่อความชั่วความมัวหมองต่างๆนาน า, นาสอนก็ไม่ฟังพูดก็ไม่รู้เรื่องเราไปคุยกับหมาคุยกับไก่คุยกับสัตว์มแมลงเนี่ยมันรู้เรื่องไหมคุยไม่รู้เรื่องอย่า ว, ว่าเป็นมนุษย์ด้วยกันเลย มีภาษาเนี่ยภาษาเดียวกัน ย, ยังคุยไม่รู้เรื่องเรียกว่าตกอยู่ในอบายภูมิแต่ตัวเนี่ยเป็นมนุษย์สติสตังเนี่ยไปยินดีต่อมแมลงและสัตว์ก็คือยินดีที่จะกินเลือดกินเนื้อทำลายสิงสาราสัตว์ยินดีในการเสพกาม ยินดีในความคิดชั่วไล่ขนาดได้เกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยังมีบุญอยู่นะก็ได้มาเป็นพระบางท่านนี่เป็นพระถึงสองรอบสามรอบมาบวชกันก็ยังไม่พ้นจากเป็นอรชีเปรตอีกมาเป็นพระก็ยังเป็นเปรตอีก ยังอยู่แบบทำลายวงจรของหน้าที่เรียกว่าศีลไม่มีสมาธิสมาธิก็คือตั้งใจมัน่นพอมีทุกข์โทษทันลำบากกากกรรมก็หันหน้าหวังว่าพึ่งพระให้ช่วยมาบวชแล้วก็ช่วยไม่ได้ช่วยตัวเองก็ช่วยไม่ได้ ตัวเองนี่ออกไปวงจรของเป็ดอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเม้นมาเป็นพระเนี่ยก็ยังฝักใยมาเป็นเนนก็ยังฝักใยมาเป็นแมช่ชีมาเป็นอุบาสกอุบาสสาอุบาสิกาก็ยังจะออกนอกหน้าที่ที่จะต้องสร้างคุณงามความดีก็คือศีล สินก็คือความสำรวมทางกายว่าจารใจให้ถึงพร้อมว่วสัตว์ที่มีวงจรเหล่านี้เนี่ยแม่นเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าสัตว์ประเสริฐโดนก็สรรเสริญ่าเป็นมนุษย์แต่หลุดวงจรมาเป็นคนปกติรูปนามเป็นมนุษย์เหมือนเราเลย ก็นะมีบุญนะเขาเรียกว่าสมมุติสองนะสมมุติมาเป็นพระสองเขาเรียกว่าพระสององค์ขระเจ้าก็ยังไม่พ้นแห่งกรรมชั่วหยาบอีกเรียกว่าชั่วโดยสันดานนะ่ยสันดอนนะ่พอขุดได้สันดานนะ่ยขุดไม่ได้เอามีดไปถาก็ไม่แหลม เอาหินเอาทั่งไปไปขูดไปฝนก็ไม่คมจะทำยังไงมันก็ด้วนอยู่อย่างนั้นเวลาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปอินทก็สรรเสริญเสด็จลงมาเราพระพมทั้งหลายตัวเทพเ ท, ท ว, วดาสิงสาลาสัตว์มาแรงน้อยใหญ่เนี่ย พระภายเนี่ยคือลมเนี่ยพระภายท่านก็พยายามทำหน้าที่พัดวีให้อากาศในเย็นสบายเมื่อใจเราสบายหูตาสบายเนี่ยกิเลสของความโลภก็ไม่มีในขณะนี้ความโกรธก็ไม่มีในขณะนี้ความหลงที่เราจะต้องมาเป็นคนใหญ่คนรวยมีอำนาจวาสนา ก็ไม่มีในขณะนี้ว่างเปล่าวางใจว่าให้เกิดความบริสุทธิ์ทางใจตั้งสติไม่ให้มันง่วงฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อกำลังพูดอยู่เนี่ยโดยความตั้งใจสักหน่อยเถอะเห็นพระแล้วมันงุดหงิดใจใหเห็นเนรแล้วมันไม่สบายใจ เห็นแ ม, ม่ชีแม่ชีก็มีความตั้งใจหลายองค์มากแต่ทำไมพระยุกจิยุกยิดูเหมือนทรมานมากแล้วก็ประพฤติตัวประพฤติตนกันเร็วซามไม่ต่ำชา้ามีไม่กี่องค์ที่เห็นนั่งอยู่เนี่ยไอ้ที่ไม่ได้ตั้งออกตั้งใจที่จะฟังทำแล้วมันอ่อนร้า เหมือนสัตว์แมลงที่มันเคยกระโดดโลดเต้นพอจับมันขังเขามันอ่อนลา้าตุนลนตุนลายจะออกจากกรงจะออกจากข้องขังขังรวมกับใครก็ไม่ได้ก็ผิดกับสัตว์ต่างๆแม้จะเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันก็จะต้องทำให้หมูนะ่คณะวุ่นวายไปหมดสัตว์เหล่านี้ เรฉันใดก็ฉันนั้นการฟังคุณงามความดีเนี่ยกี่คนโบราณก็บอกว่าเป่าปี่ให้ฝ่ายฟังเราคุยกับวัวกับควายเนี่ยไม่ใช่พวกเดียวภาษาเดียวกันเนี่ยมันไม่เข้าใจเหมือนพาทธิขยันสวดมนต์เจริญภาวนาก็จะมีความสงบสบายไม่วุ่นวายในหมู่คณะ แต่ไอ้พ้าที่มันเป่าปีให้ควายฟังเบจีแม่พามเนนที่มีประพฤติกรรมเยี่ยงวัวเยี่ยงควายมักจะเอาเรื่องของเขาม า, มาใส่สมองตัวเองเรียกว่าเขาควายเขานี่มันใหญ่หนักแน่นหนามากก็คือหินตรงนี้หัวแข็งหัวดื้อ ถ้าพิสุเรียกว่าพิสุทื่อพระพุทธเจ้ากับใจเปรียบพิสุทื่อพวกนี้เนี่ยจะเรียนรู้คุณงามความดีเนี่ยฝนทั่งให้เป็นเข็มเนี่ยฝนไม่ไหวไม่รู้จะเอาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมาถูมาเชี่ยมมาสอนถ้เป็นมีดมันก็ทื่อมันไม่คม จะเป็นเข็มมันก็ประเภทเข็มหักแล้วเบนเข็มออกจากวงจอดเพราะนั้นก็ฝากไว้ว่าไปพิจารณาตัวเองวา่าเราเป็นประเภทที่เข็มหักประเภทที่มีทื่อไม่มีคมเอาความดีข่มไม่ไหว ก็ต้องตกอยู่ในอบายภูมิเป็นภูมิของอรัชีเปตดพระเปดเนนเปดแม่ชีแล้วก็เปตดอุบาสกอุบาสิกาไอเปดพวกนี้พอมารวมตัวแล้วเนี่ยก่อนจะแห่ห้องเหมือนสัตว์เหมือนหมาเนี่ยพอมันรวมกลุ่มรวมตัวกันได้มันก็กัดกันทะเลาะกัน ยินดีไปรุมกัดไปรุมตัวที่มันแตกต่างที่เป็นพรกพวกตัวเอกจริงๆแล้วมันก็เป็นชนิดเดียวกันก็คือหมาเปรยผ้ามันพอมันรวมตัวก็เช่นเดียวกันมันสรรเสริญแ้งร้องวุ่นวายสนุกสนานชอบเสียงเพลงชอบเสพ ชอบกินชอบเปลีย่ยนเปลี่ยนแอบกินแอบอยู่ทำเป็นรู้แต่ว่าความดีมองไม่เห็นไอ้ที่ได้ยินก็คือจะต้องมีเสียงต่หนะเพราะต้องมีเสียงเพลงเต้นอยู่นิ่งๆไม่ได้สำรวมไม่ได้ก็จะต้องฟังเพลงประคองกิเลสของตัวเองประคองใจ ตาก็จะต้องมองเห็นสัตว์มันเสพกันแล้วก็ไปยืนมองชอบใจไม่มีเมตตากรุณาต่อพืชต่อสัตว์ต่อมนุษย์ด้วยกันเพราะฉะนั้นมองเห็นชัดเจนว่ารัชชีเปตพระเนี่ยก็จะอยู่และมีประพฤติกรรมใกล้เคียงกันหลวงพ่อจึงจำแนกแจกใจ่ายให้ไปอยู่ตามสถานะ ตามบทบาทของความเป็นกรรมของท่านทั้งหลายเอาละเช้าๆอย่างนี้ก็มองเห็นทีท่าถ้าจะแย่ยับเยินไปตามๆกันออกอาการของรูปแบบแห่งกรรมตามสภาพของกรรมนั้นๆตามที่หลวงพ่อได้ปรามและได้ห้าม ได้บอกไว้เห็นแล้วก็ไม่สบายใจเพราะว่าเข้าพรรษามาเดือนกว่าแล้วหลวงพ่อก็ไม่ค่อยได้ยุ่งกับพวกเรามากมายนักน่าจะขัดเก่าตัวเองได้ดีดีกว่านี้น่าจะนั่งสมาธิให้มันนิ่งให้มันชิน ชินต่อสภาวะที่เราขยันหมั่นเพียรมากกว่านี้มีกิริยามารยาทมีวาจามีการกระทําที่ดีกว่านี้ไม่ใช่มามีสภาพที่มองเห็นในขณะนี้คนที่ประพฤติดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตัวตนของตัวเองตั้งแต่บวชมาเนี่ย ก็ไม่มีเรื่องเศร้าหมองประกองกายประคองตัวหน้ากราบไหวเคารพและไม่หม่นหมองใจสบายใจก็เป็นพระที่สบายใจคนที่ฝักใฝ่ความชั่วไม่ระงับยับยั้งสติว่าตัวเองเป็นพระเป็นเดชเป็นแม่ชีเป็นผู้รักษาศีลก็จะต้องทุลนทุลายต่อการเป็นอยู่ สรางความเดือดร้อนให้หมู่คณนะตามที่หลวงพ่อได้เทศนาที่ผ่านมาอยากเป็นอุทาหรณ์ให้กับท่านทั้งหลายไปพิจารณาตัว ต, วตนวิด้มีเจตนาที่จะนันตาหนิพระคุณเจ้ารวมทั้งแม่ลูกเนรแม่ชีและคุณโยมที่มาประพฤติปฏิบัติ ก็เอาไปเป็นอุทาหรณ์พิจารณาตัวตนที่แท้จริงของตัวเราขณะฟังธรรมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลามากนักตามที่หลวงพ่อได้เอิ่มขึ้นในบทนนแรกๆว่าเชาวๆอย่างนี้จิตของท่านทั้งหลายจงมีความสะอาดผ่องใสทั้งหูทั้งตา ไม่ตกล่นต่อความวุ่นวายจงตั้งสติตัดตัวเหงาเหานอนก็คือตัวง่วงโปรดตั้งสติก็คือตั้งใจมีประพฤติกรรมที่ดีก็คือการฟังหูเราเนี่ยฟังในสิ่งที่ดีและบอกถึงธรรมชาติบอกถึงวงจรของชีวิตในโลกใบนี้ และท่านจะบอกว่าอยากหลุดพ้นอยากมาบวชที่พระวัดดีๆประพฤติดีปฏิบัติชอบมันก็จะต้องมีธรรมธรรมก็คือการกระทาอยู่ในวงจรของกรรมต่างๆว่าเราออกนอกวงก็ยังวงมันขาดนะมันก็มัดอะไรไม่แน่นแล้วก็ขอไวพรและอโมโทนากับพระคุณเจ้า ลูกเนรแล้วก็แม่ชีแล้วก็บรรดาญาติโยมที่มาประพฤติดีปฏิบัติได้เดือนกว่าบางคนก็สงบเงียบบางคนก็ยังทุลนทุลายก็ช่วยไม่ได้เอาละค่อยๆถอนสมาธิเพื่อจะได้กวดนา้าทาหน้าที่ของความเป็นพระเป็นเนนเป็นแม่ชี